这个 沒, 沒, 没了，这个 没, 沒了，这个没了。马蹄一场课就没了。这个也几人也拿，那也。那这估计得拿回。好，得让大家。别别老看，看谁开？有。好好。请马妹喊我们哟。好好。好。来，听，听，听。 ตาต้อต <300. S 2> <can> ิดไอ้เจาต้อไปแล้วก็ตัวให่ตวโตตวใหญ่ตอวโตมันจะตกหวยจะยังไงแล้วเห็นเจ้าโจอยู่ไม่ตกตาพระาระปการหลวงพ่อศุภีรักษาแร็ดลูเอายอละคดีบ่ คน ก, ก็หน่อยธมดาดีะเพื่ว่าานไดแล้วหลวงพ่อาลาไปแล้วปาว่าได้อะไร่แพ้จะไม่ขาด่นหนึ่งไว้ตัดทเดือนเดือนดียว้ยไง้าจะคิดุเดือนแบบนี้นะไ้ดรขอียกไปั่นนะนี่ยกสงกานีเออ วันนี้อยู่ใรก็านันจาให้สา่สาาัยเออโอโหหน้กาก็เปลี่งนไปมักเลร้อยลูกตับสิทธิ์ตายคาตาไหรก็พ่อหนึ่ร้ อ, อยบาท ก็ค oh. oh. oh. oh oh uh ือเรองอุอ hey, uh ีกพาะวาต้องอ่นเนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องบอกให้ด่วอยู่ีาแขเลยปีตันอนเช้าตาางคำดวอยู่ดีๆหมาเหยื่อลดจีวผมพอราะเขาออกมาแต่ที่ถ้าไม่สรกอะไรองค์นหมาเหยก่อได้ใช่ใช่ถ้าคนธรรมดาไม่น้อยหมานห่อลดจีวเป็นหมาเศรษฐีเลย 没见就怂了，他妈了，他不用遮盖，他他都坐完了，卖个散块，我三个都活的像小狗，哪会养呢？这假孙子，我我我，哎呦！ ใ้เอาลายอเอานี้ดีปฏิบัติในสัญญุสิบประการให้เด็กทาดทำไมาสีแดงก็อ่านออกฟังอะไรชอเนี่ยหมดตัวใจใจใจใจเยอะไม่ต้อง ไ, ได้เลยดีรยันไปเยอะบางท่ เสเตรียเดี๋ยนแล้วก้ทำอาหารทุกคนขอรปแบบเพื่อให้เข้าไจกทข้าวยอดๆนะแต่การาำเารนการราก็รับจำถึงคือว่าลูกได้เอาบ้านทำข้าแล้วเปียนน้มันบ่มผมมาตรการที่หนึ่งว่าข้าวปนไว้ในเสาสาลครูชิดบ้านเมื่อ28คศ233ก็ร่างกฎระเบียบวิธีลูกภำตามแต่ทุกอย่เอาแท้ของหลอโดยทลวงพ่อเป็นผู้นำ ฟ้ากอเหตากกะจายมีรถอมีลมและใหญพัดผู้แล้วก็มีรถถูกใหญ่รีผ่านมาเป็นรลายุการณ์ไ like, ม oh, ่เคยมีมาก่อนเลยลูกอยากใด้ยิถามหลวงพว่าเหตการณที่เกิดใจพ่ที่เกี่ยวโลกไทยตกวูกอย่างไรหรือไม่พระเพิ่มเพิ่มเลยนะครับโอ้ก็เพิ่มครับราเราดีใจจังทำครบแล้วได้เพิ่มอีกแล้วโอ้ได้ได้ ต่อไปก็ไม่เหมือนกันนะเจมสเมไม่ได้นะแต่คนนั้นยังเหมือนกันกาสัมัสยเหมือนกันตอสัมผัสหรือว่ากระบวนกชีวิตที่เกิดึังเหมือนกันต่อไม่้ใช้การรกตหูวยไนก็ได้ให้โตให้จริงๆนแหละแ้อที่เราอย่างสูงการใส่บาตของลูกทุกวันนี้ไม่เคยจะเต็ม้ลยับ เคยอกว่าางเป็นตไฟเร่าเอาบาปปีละปโยดีกว่าหัวบอกว่าหาสาบหัวเย่อสาบ้นบอกว่าถ้าให้ใส่บรนะองกินของแหงๆดซ้ำถ้าให้ส่องี่นเี่ยนถาจอได้ขอเี่ยเลีู่กสสาบัเลาะบรการใหญ่ลูกขออธิษฐานาสางเเป็นต้นไปเปี่ยเปียนลูกแมวอีกแล้ว่อเจเอา ม่ได้นะคมจะมีการขกไฟันเป็นธรรมดากรายไม่เสมอใจไม่เท่ากันถยตร้ข้าา้าตอไค้าดต่อไปอีกไม่ไปเนี่ใกับนี้ไม่พบกัอีกแล้วโอ้่ไปแห้งๆวันนี้ันไโอ้ยที่ทันเลยเราป่นปเก ไวก่อนไปายดีกว่านะนี่นิขานก็อย่างนี้หุณพ่อจะขายโูกนีที่มีส่สีไร่นะขายในราคาสี่ยาแต่ลูกวีท่านถ้าขายได้อะไรถวายหลวงพ่อจะเป็นลูกตีพวนี้เปัวเลยนะเยอนก็เยอคิดเงินละสีก้ออะไรไม่บอกเลยเห็นกด้วยเนี่ยผมจะเป็นจำนวนที่ขายไห ถ้าลูกสุดสจ้าเขาขอใหลูกขายก็เอ้ยว่าอีขอพงพ่อดีขอตัวเดืดเดอดตาแค่แง่ชาติต้นก้วยหลวงพ่อท่อนบนเราให้เป็นหนึดว่าก็เป็เียกบรจุดสก็อย่างนี้นะก็จุดสี่จุดใ่จุดจุดจุดนี่จุดไม่ใช่เลย ไม่ได้ดูดูดใจเดียวนะเออนีกแนขายที่ไม่ได้บนบ้านเขาทำนะลูกเป็นคนนีสัยไม่ดีอย่างหนึ่งขอสารภาพเป็ยบาีใจคูว่าไปว่าไหนอะไรสู่ใจลูกมากจะตุ้มติ่มตุ่มที่นี่ดีมาละกรแต่นาว่าลงมาดูภาพดูวันี่อันนี้เราไค่ปฏิบัติธรรมดูนะเขาไม่ได้จิ้มกัดวัดนะ ลูกสราสร้ราไม่ดีแล้วแต่ในการปราบไห้ในที่ลูกจากรขอรบเรว่ <c oughs> นี้ต่าวิธีจะสร้างอารมณ์ที่ไม่ปรามาหหรือไม่ดีในทางลัคนจะเริ่มต้นคือการสร้างอารมณ์แบ่งนก่อนพอใจ่องโอให้ที่ตกหลับปุ๋ยเลยผมจนดื้อสนหมอ้ยยังไงก็ได้ปุ๋ยเลยห <c oughs> นะรืหอว่าเขาสมรชชาส่วนตเองก็ยังมีกิเลสใช่เ ล, เล้วค่า ถ้าไม่มีกเลสรู้จากรล้วไม่ไร้ลมบัดที่ต้องมีไร้ลมพัดเ็าก็ยังมีกิเลอถ้าพระอรหันต์รู้จากทรงยกยอไม่จับอะไรเลยทั้งหมดหลาอย่างหน่อยแต่ตอนมีรู้ตัวเขาแอบมาโหตีตีแต่แล้าเราก็จะรบอย่างโศมลูกเป็นคนไม่เลื่อดวไม่เชื่อมอดูแต่ตอนนี้พระไม่สบายใจที่สองวันไม่ค่อหาแอนลย พัะทานบอกว่าลาหูังจะได้งานเมอในเชติแล้วลูกก็เลยมาถวายตระการที่ซอยไผลงเสื้ออพลเรียบุตรพ่อวยองพระาหูว่ายาวโคตรสูงเลยหล่อจะบอก่อให้ลูกสเลิกเหมือนจริที่นี่ไม่ยากไ่ยากะับพีน่อคอเขียนที่รูไว้ถ้าใครให้ท่ไว้องแราหูไม่ใ่หูใช่ใช่าหูจได้งานนรูเกิดะไรอายุเท่าไหร่เนี่ย อเราหูเข้าแฟนสาวแท้เอางี้นะเราหูเข้านีหนึ่งสเขสา1 2 3 4ยังไม่มีอะไรพอห้าหกเจ8เอาละหกเจ็ดร้อยต่อไป9้าวสิบจะสองน เาราหูออกออกสุข้าโใหญ่ให้รับเรา ห, หรูใช่<อ>ใดีนนครันหมเจตือแบกฉันฉันโดนยิงมาแล้วกบมาเสือข้ายิงออกองดูว่าโอ้ยเขาหอจะบอกเป็นเลยโอ้นมีไไนมาแล้วที่ยองมยิงก็างนี้ว่าย่างเข้าว่าพันยาใช่ไหมใช่มาดูดูเลอยู่ในมือจะดูให้บุณเราหูกนลัเข้า มนีโทษทางท้องไอโรคทางท้องก็ไม่เชื่อคดีเมื่อไม่กี่วันไอ้เสือมืสู้ตายเกิดทีเดียวกันใครเจอรับเนี่ยทำดีทไม่ดีมมทำมาว่าทำไม่ยมเข้าเรื่อแล้วเลยไม่รับแต่ว่าไปรับพสุทธิแต่พอหูตอนสี่ปีหลังให้คุณดีมากเลยเข้าที่สองปีใช่ไหม <ปะ S 1> สีปีต้นให้ต้นเล็กน้อยสี่ปีกลางให้ต้นอะ ทีีหลังแล้วให้คุณขอที่ไม่เคยได้จะได้เคยเคยได้น้อยไดจะได้มากจะไม่เหลือก็ขี้มาแล้วโวยขี้มาเนี่ยกองราออกให้รีบรับประสบจะรวยพอพักผัวตกพักผ่านพิษก็ได้ใช่เรียกได้เป็นรับประสบแต่ไม่เอาแล้วแต่เขาบกจะยามมาแล้วถ้าไมรับยืมไม่ก็นะน่าดีดีก็ตาได้ก็ตามเีย ท้าทไม่ได้เราแยกยุครงทำาเขาจะได้ร้องแตไปเลยก็ว่าไปทางรถไฟแต่าว่ารัาประการหงพ่อจะรบอย่างโง่ลูกเป็นคนอยู่ในรัฐตถยาต่อมีมากพราะงอเป็นอย่างมากแต่เตอทุกวันเลยดูว่าอย่างีาวมากปีก็ทะเลาะกันอะไรยานเลยหนีตะลุยเปิดเปิดไปเขาสา่งให้ลูกอกกตาี่ว่าไ่รู้ไปไม่รู้ไปที่ไหน ลกไปสบายใจเก็บเงินเล็กเก็บากลูกเป็ามากแกก็มานองมยิที่จะเสื่อมไปเรนนงถามว่าทำทำหน้าที่อย่านี้จับวินศิลหน้าหรือไม่และพอมายิ้มที่จะเสื่อมหรือเปล่ปยังไม่เสื่อมจะไม่เป น, นครับเขาก็สั่งไว้ด้าตามคสั่งแต่เขาถ้าไม่ป็นแบบนั้นก็จ่มีไรก็ได้อ้อเรืุ่ด อ, อะไรไระไรดี มีมาแล้วเราทำปูทำปครูก็กลัวจะวิจีตมัครโทษให้ที่่วเสีย<อ>ให้แล้วเาก็ต้องหอกเขาตนนี้เขาแาบเข้าใจในงานนี้ฉันลงสู้มื่ไไปเนี่ยตอว่านาโดยที่ทารกงานเก็บเขาสู้ไปเลยะเยอ<า>เรไืไปไหนอ๋อขอให้เขาูู้เ ล, <c oughs> เลยอาโคชิคอยรับอย่าง น, นี้นะไ ม, ม่สนใจหรอก มีหลายคนเมื่อกว่าไม่รับไม่ร่วมาตลไหนโน้ตชาติชาตมาอยู่ที่ิยานะแต่ชาติก็ไนระผู้รุ่งเรือรารอดครับตามพระอาจประการหลวงพ่อจีรลบมาะที่นี้อยางโตเรียกว่าโรคทองหาใเรื่องญ่ในาลรแล้วว่าถือว่าอย่างนี้คือแม่ของโรกแต่หายด้วยไม่ออกขอ ในแค่หัวของหลวงพอ่อที่อุตันหลังจะว่างอยู่เ้เดิลอเมตตาสถานนล้าลงไปในเตะลูกเ่าจะเป็นประโยชน์จมากไม่ใช่หลวงพ่อจะเมตตาอหรือเปล่าไม่รู้ว่าโยชงดกัออนนะเกยชมเลิกขายเลยดิยายเล้านใช่ผู้ดจะาคุยนะอนน่าขายเกงสว่ายหัวตา ไปเลยนะครับการฆ่านามัจการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงตอนนี้ลูกใหญ่ญาติถามหลวง่อว่ากางที่เราบึกมาโลมไนินิดแล้วโดยใช้ข้ามเขาพุรูปแก้วใสของหลวข้่อจะเป็นสีกับใช้ข้าวองุ่นเกษตรกทจะละลาอจะได้ผลเลิตต่างหรือไม่ กผมตัใจแล้วว่าต่อไปอนาคตผมจะเอาปัญญาผมไปได้บ้างอะไรเนี่ยแม่เขาแ่าเนี่ยกอะไรลงไปหรือเรื่อออกเลมาสมามามางยินดีถ้ารูปจะไหวถ้ารูปจะรูปจะใส่ได้สองอย่างอะไรก็ได้ถือว่าเปรงก็ได้แต่ละปญญานี่ต้องได้จะจสิ้ทั้งสินะ เวต่อเนื่อส่วนเด็กไปถ้เห็นเท่าสิบก็ต้องสรางทั้งหมดถ้าเดินหน้าเดินหลังได้เข้าชานสลับชานได้สลับชานได้ยาวเลยนะเอางี้ว่าเอาง่ายๆดกว่าเอาจุดเจ้าการที่ยาวจุดปัญญภง่ายกว่าเยอะมีไว่าเยอะไม่เดือดริวยตัดทิ้งเราไปที่ี่เหลือที่เหลือใ้แล้ว เช่นนั้นนะฮะนั่นคือยาของก็่นน้ไปได้ใช่ไหมไปได้ทุกไปได้ทุกข์กั้าหกต้องเป็นพระอริยเจ้านะของอีกที่หกพระเจ้าขัยานนะเจ้างีมนแก้ได้ถระยะดีกว่าที่เฉยอันยานไปทำอะไรกันตั้งโนยีที่เขาเสีไปแล้ว เอพราแม่ผมที่ข่าวตัวผมตงกาบต้นหนาเดี๋ยวผมก็ไปอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไปงานลอ่ชีต้าต้นติดใจรึเปล่าพระูกจีนตายลูกศิษย์พระพระมีศิษย์ต้องเยอะแยะขนามาตายอย่างนี้เลยอารมณ์ของลูกศิษย์นิดน่อยนีู่สบายใจแะเพราะว่าตางคนต่างตายเอาฮึฮึฮึฮาฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮ หมดไปแรงนี้ตัวบ้ากรรมฐานไม่ไปไหนเลยจะเรื่องเดือดร้อนนะหนาโง่าข้าวหลวงพ่อที่เคารอย่างสูงอที่เดือดร้อนไปอย่างนี้ก็ไม่ตาบควไป็นทุกข์าอะไรลูกทรงขอไปเมืองพ่อปู่โง่ขาดถุเป็นร้าน้านอยู่เสมอคนอะไรก็ไม่สำเร็จวันีขอรุามีหลวงพ่อไป พ่อมี่วยููกไจไปหาใครขาดคุไปใร้านเจ้าค่ะส่งในทางส่งหรือาส่งเมื่อนะครับส่งเมือว่าถ้าส่งแทนโอ้ปัยทางวถีงคนน่แหละ่าฮ่าฮ่าฮาแตุมาตัวคุไม่ว่าใจบุญแทนโอ้อะไรขาดไปในร้านเลยวะไม่มีอะไเลยไม่มีวัน ใครรู้เป kind of ็นเงินกี่อะไรลระที่รู้ก็มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมวีโมขอาหลงพ่อรูาจวันหนึ่งรูกไปช่วยเด็กกำลังหน้าตามองแมนให้มันสิดปาดเสร็แรกเดียวหลายเนี่มันร่วงกระเป๋าไปบกร้อยบาทต่อมาอีกให้กี่วันก็ไปโดร้ออีกคนหนึ่งเห็กก็ไปกินข้าวปนทีให้ไปร้อยบาทแต่เดียวร่วออไปห้ ักตระหน่้แสดงว่าลูกมีํารมเวเป็นอย่างแน่้องจมีลูก่อว่ามีาขาบทไหนที่จะสามารถออกรคกกรเป๋าได้บาก็สั่งไม่ยากไม่ยากไม่สัชีวิระเทเลยไปมางไว้ไม่เลอไม่เลอไม่เลโอโหาบทนี้ก็ใช่ไปเลไปเลยไปเลยก่อนเอาข้อก่อนเยอะากข้อน แ้วเสียด้วโตนะแล้วก็แล้าที่ทำกูอะไรไม่ใช่เน่ที่มาทานใช่ก่อนแต่ถ้าหาข้าที่ก็ทำที่ตัวใหญ่แก้ไม่หายยังนีกไม่ได้ชันนี้ไม่ช่อยช่วเราได้มาสามวันนะน ปมเข่าลูกอไม่ไ้มา่อยู่ยาเลยกำมวไม่ไ้เข่าเรา้กุกกัดไม่ได้เขาโผล่ลูหล่ส่าคนหนักเกินแล้วก็อนอนไหลับกินไม่ได้ปวดตึงมาเลยแต่ตไม่ได้อะไรคพเป็นหอคือย้ยหวยแล้วก็ไปเรื่องต้นขาเต้ไห่วอไรไ่ไาหลวงพ่อจบต่าคนนี้ไปทราบเป็เพราะอะไร เวนอนก็จะฝันในรานอยู่เสมอตัวอย่างเช่นสามลูกพ่อว่าวิธีที่จะนอนันตีวีก้ล่าและทำใหเรินเรืองการาายได้จะต้องโทนอไรภาวนาแต่สต่อที่จะนอนเจ้าขาไม่้ฝันนี่มันไม่มีสมัยขอรักัาใช่ไม่ใช่รถสมัยเราคิดเรื่อันแต่จริงมันก็ไม่ฝันชไหมแเรื่องมันเองยิ่งยุ ภานาหรอรก็เถเร่อมทุกโงาไปตลอดวันฝั่งไม่ใชใไม่มีปักานหลวอเจ้าขาปัจจไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องสามีของลกหรืออะไรกันีก่อนไหละตัวทอนตั้งกรมานรูปสุขแก่ทุกอเสียอย่างเดียวอเปนาน ลูกสยามมาทั้งมนสอบเซ้งไปให้กินก็นไม่หายเอาพระยาลู ก, กไปลูกวังไว้ทุกไวไไหห้ไทยหัหมอนกมา แต่ตอนแรกก็เข้าไปดูอย่างั้่จัดกรมบารมีให้ทันว่านี่กว่าหลอกว่อในพาถ้าลูกบาลานใจเกี่ยวกับเรื่องนัางประการมาถ่ายโดยปกติก็ลูกจะเป็นปกติลูกจหญ่ลกสัางกาแต่พอเริกจะเลย จะมีลักษณะกาต่อไปนี้หนึ่งลตากรสุอปากคล้ายกะเบืวองสามมือไม้ต่างเขาแล้วพอเริกจะิลภาวนาพุ่งสายสันติไม่กลาวว่าเป็นข้อเหตุไรเพราะกรณีหล่อช่วยแนะนำกาอนและไมให้เตุาณนี้เกิดขึ้นอจริงก็เริกจะมได้ต่ก็คุยรูปปิดปากกัแช่แช่แช่แเ่แช่นใจแล้วยาเ ผกว่แค่พอซมั้ยมาหนาหนึเออใ้งมาทอากันเริ่มใหม่ให้ใจยาวๆอย่าง้เจหน่แนครั้งปกติจตอไป สามีต่อลูกก็กินปูทะเลลูกแนะนาว่าเป็นปาหนาตีบไม่ดีแ่ก็บอกว่าเวลาเราทาไปก็ไหล้าล้าม่ว่าอะไรเลยลูกกับสามีแทบจะทะเลาะกันอย่างนตอนนี้ไปลูกจะบอกสับหวพ่อว่าถ้าพ่อสามีกินต่อไปลูกจะภาวนาว่าขอพลัีหลวงพ่อเป็นกำลัง ทม่ผดแบาริโกดบโดีบัตขอขอาบว่ไหนก็เราได้นานท่โอ้ว่าอะไรเส้นนี้ใส่ไเลยร้อยหาส ปลศาจคือสามอย่างหน่งตัวต่อ2ตัวแสามพืมันมาสอยู่ไอ้ลูกหลาไปว่าแนแล้วก็กระจายออกไปไล่อยู่เสมอลูกเตือแในตาบารมีอกว่าเราอยู่ร่มไม้ไฟฟแต่อย่มาละสายกันนะเพราะกนไม่อยู่ในกลางสงบแต่ปีศปรหลาดใจก็คือว่าต่อมาไม่นาในวามทีขอโลกมาให้วลูกป่วยและลูกเตือนแทนต่อไปว่าถ้าลูกเรื่อยไปลูกจะถลายลงพ่อลูกเตือน ของก็ีตรงก้อนตรงโบราณตนาด้วยตเชิงสายังไม่ไดให้ตรงโบราณแต่ที่เาชอบแต่งศูนย์เนี่ยไอโบราณก็ยินดีด้วยใครแข่งแงยินดีแล้วไม่ต้องโมศนาแต่แข่งแข่งก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่โบราณขออีต่อไปลยแต่ที่อ้าวของยัไม่ได้จ่ายใจะจายก็ยิงเลยดีโอ ได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าหากว่าได้คนปวดสองก็จะไปอยู่ที่วัดพระโงและถ้าหากว่าลูกมีจิตใจไม่แข็งก็อาจจะอยู่จนกระทั่งวันตายรื่วัดพระสุโงแต่ที่ปัญาอยู่เร่อน้อยก็คือว่าวัดตม่ยึดยึดมีการฝึกไม่ได้เลยต่างระเบีวัดพุโง์ต้องไปมาเยนี้ ดังนลกสาวมโลวพอช่วยส่งลอให้ลูกสายมโนไปยึดี่ด้วยเถิดก็นจะื้อเชื่อรูเขาไม่มีอะไรมากไอ้พิบุตาได้เหี้ยดือเขาจะมาเจอดีอดเลวยิงเนี่ดเลยใช่ใช่ถ้าหมดดีก็คงได้องงได้ใช่หมดเลยก็ได้เงไปเะอรว่าแอบมาหาคือตัวเดดตัวเดียว เอาอีกคนหน่งโลกยาอะโลภใไอัาเกิดเป็ทเขเสียเียก็เรื่องการถวายเระพุทรูปไปสนปราการเขาบอกว่าถ้าถวายพระพุทธรูปเป็นปราการะถ้าองค์ใหญ่ได้บุญมากถ้าองค์เล็กได้บุญเล็กแต่ลูกไป่เมีประทาถวายองค์เล็กบุญเลกแต่กำลังใจกองูใหญ่โงอโง่เขาเป็นเจตนาผู้หลักจะทำ ถ้าทำรููกต้องถอกตาวถ้าไม่ถูกหลวงพ่อจะแก้ไข่ได้จะฝากให้สูต้องไหนเนี่ยต้องแห่มีฐานาที่อหญ่ถ้าไูเยอะเยอะแลิ่งแค่เราเต็มใจนะขนาดราคาแท้ที่มันใหญ่เพราะวัตถุรูก็คือวตถุใช่ไหมล่ะใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยอมรับเขาถือวัตถเจ้าเป็นคนใหญ่อยู่แล้ว ถวายพุทรูปถ้าเป็นเทวดเป็นนา้าเป็นกรมีเป็นคนสุคนสวยมากแสนสว่างมากองเล็กก็แสสว่างมากองใหญ่สสว่างมากไฟก็เขาไปหลายท่หลา่เองผใหญ่ก็ใ่เอาแนเลกก็ไหวเป็นก๊อยทีตัวต่อไปมันจะดตัวใหญ่ก็ใชใช่ใช่ห่กว่ากใช่หมใแล้วก็สาเรามน้อยได้่ว่ามีอีหนึ่ง 提出病故疑問，盡就盡制無成啊！我已經改態，我都唔想理佢。